นิดหน่อยก็ยังดีแต่นี้รู้สึกว่าอาหารยังไม่เข้าถึงท่านและส่งออกไปเลยเอใอคล้ายๆกับว่าผู้ที่นำอาหารมาถวายก็แปล้วในใจแค่้ามันแปล้วในใจมันกับบุญกุศลมันก็แหวงไปแล้วทีนี้แต่จะให้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ฉันหมดทุกคนเอามาอะไรก็ให้ฉันหมดมีร้อยคนก็ฉันร้อยคำเลยเดี๋ยวถ้าหากว่า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 ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระหลักพันธรรมวินัยเราจะไปพูดรวบลัดเอาทีเดียวไม่ได้หลวงพ่อว่านนะพวกวกวันนี้นะแต่ถึงยังไงก็าตามนะหลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักคณะสิทธิญนุสิทธิขององค์หลวงตาของเราเนี่ยหออลวงตาที่สิ่งไหนที่ทันที่มีประโยชน์ต้วงตาพารมและละ่ะคณะสัตาธิโยมลูกหลาน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 แต่ถ้าว่าพวกเราเห็นเขาแนะนำอย่างไรก็อของอะไรขึ้นมาแปกใหม่อภินิหารอย่างนูน่นอภินิหารอย่างนี้พุทธวจนะอย่างนูน้นพุทธวจนะอย่างนี้พระบาลีอย่างนั้นพระอตถกถาอย่างนี้พลังอย่างนั้นพลังอย่างนี้สิ่งเห <vag? S 2> เล่านี้ให้พวกเราหลวงตาเคยสอนหรือเปล่าหลวงตาเคยแนะนำหรือเปล่า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 พนนีฝ่ายประยัตทางหลายหมู่พวกเพื่อนที่ฝ่ายปริยัตทงหลายเขาก็เอกมหาปัวเนี่ยเดินออกนอกลูก่นอกทางหรือเปล่าทำไมเพียงว่าปัญญาอบรมสมาธิมันมีแต่สมาธิอบรมปัญญาเนี่ยแต่ใน่ยลงตาก็ให้เหตุผลนะเนี่ยลงตาให้เหตุผลว่าคำว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ย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 พอจิตนั้นจิตใจของเราจะรวมสงบน่งนะเราจะเห็นได้ชัดเลยท่านะกายกับใจกาใจกับกายจิตจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้อันนี้เราปัญญาอบรมสมาธินะในองค์ลูกตาที่ท่านสอนจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วนะํามาพิจารณาทางด้านปัญญานะปัญญาแบบนีพิจารณาดูอย่างเก่านะั่นแหะพิจารณากายอย่างเก่าพอพิจารณากายอย่างเก่าเข้ามาถึงใจเลใจคือผู้รู้เนี่ย เราไปหลงร่างกายใช่มไม้ใจใครเข้าไปสอนใจแล้วนะั่นเใจสอนใจแตนะ่เอาสติปัญญามาสอนใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวักิเลสมันหลงอะไรกายมันหลงอะไรขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะกายนะใจนะอีกสักวันหนึ่งเขาเอาไปเผาไฟทิ้งนะใจนะ่ะบอกถามใจตัวเองนะ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 เป็นกระจกเงาอย่าหลงทางนะให้เราศึกษาให้ดีแนวปฏิปทาของท่านพวกเราจะเดินสู่จุดหมายปลายทางคนอื่นพูดก็พูดไปอย่างนั้นแหออถ้าพูดไปแล้วนะ่คนที่พูดนะ่ภูมิเป็นยังไงต้องดูรภูมิเป็นยังไงรับรองได้ละอย่าง เ, เป็นพูดหลุดพ้นละอย่างสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดตึกเครงเราจะไม่พูดออกปากเให้เรา ค, คิดอยู่ในใจนะ